สิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการสนทนากับชายในที่มืดสิกขาบทที่สองว่าด้วยการยืนกับชายในที่กำบังสิกขาบทที่สว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้งสิกขาบทที่สว่าด้วยการส่งเพื่อนภิกษุณีกลับสิกขาบทที่ห้า ว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของสิกขาบทที่6ว่าด้วยการนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของสิกขาบทที่7ว่าด้วยการปูลาดโดยไม่บอกสิกขาบทที่8ว่าด้วยการให้ผู้อื่นโพนทนาสิกขาบทที่9ว่าด้วยการสาบแช่งตนเองและผู้อื่น สิกขาบทที่ 10% ว่าด้วยการร้องให้ทุบตีตนเองสามนักคะวัคสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเปลือยกายอาบน้ำสิกขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาดสิกขาบทที่สว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บสิกขาบทที่สี่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 สิกขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าหม่มสิกขาบทที่สว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญสิกขาบทที่4ว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนพิกษุณีสิกขาบทที่หว่าด้วยการฉุดลากออกสิกขาบทที่6 ว่าด้วยการอยู่คลุกคลีกับครืหัดสิกขาบทที่7ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่หน้าหวาดระแวงภายในรัฐสิกขาบทที่8ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่หน้าหวาดระแวงภายนอกรัฐสิกขาบทที่9ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปภายในพัรษา สิกขาบทที่10บว่าด้วยการไม่หลีกจาริกไป 5. จิตตาคารวักสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการไปดูโรงละครหลวงสิกขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ตั่งหรือแท่นสิกขาบทที่สว่าด้วยการกรอได้สิกขาบทที่สี่ ว่าด้วยการช่วยทำการขวนขวายเพื่อเคฤรพหัดสิกขาบทที่หว่าด้วยการไม่ช่วยระงับอธิกรณ์สิกขาบทที่6ว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักฟ้อนเป็นต้นสิกขาบทที่7ว่าด้วยการใช้ผ้าซับกรดูแล้วไม่สละศสิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่สละที่พัก สิกขาบทที่9ว่าด้วยการเรียนดิรฉานวิชาสิกขาบทที่10บว่าด้วยการสอนดิรฉานวิชา 6. อารามวรตรสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเข้าอารามโดยไม่บอกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการด่าบริาพาทภิกษุสิกขาบทที่สาม ว่าด้วยการบริาพาทคณะสิกขาบทที่สว่าด้วยการฉันของเคี้ยวของฉันเมื่อห้ามพัตตาหารแล้วสิกขาบทที่หว่าด้วยความหวงตระกูลสิกขาบทที่6ว่าด้วยการอยู่จําพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุสิกขาบทที่7ว่าด้วยการไม่ประวรณาในสงสองฝ่าย สิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่รับโอวาทเป็นต้นสิกขาบทที่9ว่าด้วยการไม่ถามอุโบสถเป็นต้นสิกขาบทที่สิบว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้า 7. ครับพี่นีวักสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการบวชให้สตรีมีคันสิกขาบทที่สอง ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนมสิกขาบทที่สว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาธรรมหข้อตลอดสองปีสิกขาบทที่สว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาที่สงยังไม่ได้สมมติสิกขาบทที่ห้า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 สิกขาบทที่สองว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่ยังไม่ได้ศึกษาในธรรมหกข้อสิกขาบทที่สว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่สงยังไม่ได้สมมุติสิกขาบทที่สว่าด้วยภิกษุณีที่พรรษาต่ำกว่า12เป็นประวัตินีสิกขาบทที่หว่าด้วยภิกษุณี มีพรรษาครบสิองเป็นปวัตินีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติสิกขาบทที่6ว่าด้วยการบ่นว่าภายหลังสิกขาบทที่7ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้สิกขาบทที่8ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ติดตามตลอดสองปีแล้วไม่บวชให้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 ว่าด้วยการบวชให้สิกขานาทุกๆุกปีสิกขาบทที่13ว่าด้วยการบวชให้สิกขานาปีละสองรูป 9. ชัตตุปาหานวักสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้าสิกขาบทที่สอง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 ว่าด้วยการให้บีบนวดสิกขาบทที่8ว่าด้วยการใช้สิกขมานาบีบนวดสิกขาบทที่9ว่าด้วยการใช้สามเณรีให้บีบนวดสิกขาบทที่10ว่าด้วยการใช้หญิงคฤือหัดให้บีบนวดสิกขาบทที่11ว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อน